ให้ธัมบูฟังฟังในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั้นก็จะมาทําหน้าที่ในการอธิบายในการที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดประสูนติข้าพระเจ้าได้ไหมธัมบูฟังฟังในวันเฤหัสคือเมื่อวานนี้เป็นประสูตทติมาในมัชฌิมานิกายคือในพระไตรปิฎกเนี่ยธัมบฟังของี้ก่อนนะคือคําสอนของพระพรุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยทุกวันนี้ตือวันนี้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 พระบุรุชาอธิบายไว้ให้มีความชัดแจ้งแต่เรื่องไหนเรื่องราวใดที่เป็นคําสอนคําอธิบายบทสนทนาบานทีเป็นเรื่องเล่าเรื่องอุทานต่างต่างเนี่ยเขาก็จะรวบรวมไว้จัดเป็นหมวดหมู่แต่ส่วนที่เป็นเรื่องไม่สั้นไม่ยาวเกินไปเขาก็จะมารวมกันอยู่ในหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าหมวดกลางกลางเาเรียกว่ามัชชิมาลิกายดังเช่นเรื่องที่ขาา้าพเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือส่วนที่มาจากตรงนี้นามัชชิมาลิกายส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องยาว เป็นหลายๆสิบหน้าท่านก็รวบรวมมาไว้อยู่ในหมวดเรื่องยาวๆเรียกว่าทีฆานิกายอันนี้คือโดยทั่วๆไปแต่ท่านจะรวบรวมมาอย่างนี้แต่ในแต่ละหมวดที่พูดถึงทีฆานิไกมัชชิมานิไกเป็นต้นเนี่ยก็ยังมีแบ่งแยกจัดแจกเนะี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตอนๆแต่ตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของปริภาชคก็มารวมไว้ในตอนนี้แตนะ่ในแต่ละตอนก็แยกเป็นพระสูตร พระสูตรที่ข้าพเจ้านำมาอ่านให้ฟันผู้ฟังฟังเมื่อวานนี้ก็คือเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายอยู่เล่มที่13ถ้าเป็นฉ บ, บับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็จะอยู่เล่มที่13ถ้าเป็นฉ บ, บับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยก็จะอยู่เล่มที่20เล่มที่20ฉบับของมหามงกุฎราชวิทยาลัยเล่มที่13สมฉบับของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ข้อนั้นก็จะตรงกันคือข้อ175สิบหแต่ของฉบับมาสจุฬานี้จะมีข้ออีกข้อหนึ่งที่ข้อเพิ่มเติมเขาเรียกว่าข้อร้อยสแปดเป็นลําดับข้ออีกแบบหนึง่งหัวข้อที่ร้อก็มีเรื่องราวประสุตร์นี้เขาเรียกว่าลทูกีโกปมาสูตรหนานี้ก็มาจากคําว่าละกีกาซึ่งหมายถึงนกมูลไถ่พระเจ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไ ม, มยเปรียบเทียบเรื่องกับนางนกมูลไถ มีอุปมาหลายอยา่างตัวนี้เริ่มต้นเรื่องของอนกมุลไทยให้กับท่านพระอุทายีฟังท่านพระอุทายีตอนนั้นก็อยู่ที่เมืองอาปณะของแคว้นอังคุตระแต่จึ่งเป็นคนละประเทศกันกับของแคว้นมคธเป็นคนละประเทศกันกันกบแคว้นโกศลแน์แคว้นโกศลก็มีพระราชาชื่อพระเจ้าประเพชรทีโกศลแคว้นมคธก็มีพระราชาชื่อพระเจ้าพิมพิสาร ตอนนี้พระวิชาอยู่ที่แคว้นอังคุตตะเมืองชื่ออาปนะก็ประกบว่านี้เป็นข้อปฏิบัติของพระวิชาอยู่เป็นประจำหลังจากที่ไปบิณธบาร์ฉันอาหารเรียบร้อยแล้วก็จะไปหลีกเร้นหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวตามราวป่าตรงนั้นตรง น, น, รงนี้ในช่วงเวลากลางวันซึ่งท่านพระอุทายีก็เหมือนกันไปบินธบารในเวลาเช้าฉัานอาหารเรียบร้อยแล้วก็ไปหลีกเร้น ที น, นก็ในเงของท่านพระุตายีเนี่ยหลังจากไปลกเล่นก็มีความคิดขึ้นว่าพระพุทเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่นําออกซึ่งเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากให้กับภิกษุทั้งหลายแล้วก็ทรงนำธรรมอันเป็นเหตุแห่งสุขเป็นอันมากมาให้ภิกษุทั้งหลายนะคิดอย่างนี้แล้วก็เลยนําความข้อนี้มาบอกกับพระพุทเจ้าหลังจากที่ต่างคนตา่างเล่นนั้นกันมาล้ตอนเย็นมาพบกันแสดงธรรมบ้าง ตอบข้อสงสัยต่างๆบ้างเผื่โอากาสให้ภิกษุถามปัญหาบ้างแต่ท่านพระอุทัยีก็ใช้โอกาสนี้ในการเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าฟังทําไมท่านพระอุทายีถึงคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่นําเหตุแังสุขมาให้นําเหตุแังทุกข์ออกไปตัณฑ์ภิกษุทั้งหลายเรื่องมันมีมาเป็นอย่างนี้ท่านฟังในช่วงตั้งแต่ตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาใหม่ๆหรืประกาศคําสอนใหม่ๆ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 แล้วก็ไปบินบลาดตอนเย็นก็นนคือวันหนึ่งชันมัน3ามมื้อเลยเช้ากลางวันเยนน็นเย็นนี่ก็คือหมายถึงหลังหกโมงเย็นไปเช้านี่ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงก่อนเที่ยงเวลากลางวันนั่นก็คือหลังเที่ยงจนถึงหกโมงเย็นเวลาเย็นก็คือหลังจากหกโมงเยนน็นเป็นต้นไปเวลาค่ําเขาใช้คําว่าเวลาราตรีทีนี้ช่วงเวลา3มช่วงเวลานั้นเราจะเปรียบเทียบครับ ของไทยเราก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นแตนะ่ซึ่งในอินเดียแม้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยนะมื้อเย็นของเขาก็คือนู่นเลยสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มนั่นะนะคือมื้อเย็นของเขาเป็นมื้อที่เรียก ว, ว่าจะมีความประณีตอาหารอะไรที่เก็บไว้ในเวลากลางวันแต่ไม่ได้กินอะไรก็จะมาดีๆก็จะมาทํากินกันตอนค่ำตอนเย็นตรง น, นั้นส่วนกลางวันเขาก็จะกินข้าวเที่ยงกันใบ่สองนู่นตอนเช้าเขาจะกินข้าวเช้ากันก็ประมาณ เจ็ดโมงอย่างนี้ทำเนียมที่เขาปฏิบัติกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ในประเทศอินเดียโดยส่วนใหญ่เราะในใน3มือ้อถ้าเป็นอาหารเช้าก็คือเวลาเช้าแต่เป็นอาหารกลางวันเขาก็จะเรียกว่าวิการในเวลากลางวันวิการในเวลากลางวันส่วนจะเป็นตอนเย็นก็เรียกว่าวิการในเวลากลางคืนมีทหมด3มช่วงเวลาตรงนี้ทีนี้เมื่อก่อนภิกษุก็ฉันทั้ง3เวลาเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ท่าผูอาจจะสงสัยเพราะว่าศีลที่ประกาศในตอนแรกๆเนี่ยเป็นข้อที่เป็นแนวทางะให้ปฏิบัติเฉยๆแต่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแนวทางที่เรียกว่าให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ในเวลาบวชมาแรกๆอุปชาท่านก็จะมอบข้อปฏิบัติ่เช่นมาเอาถ้าจะกินอาหารนะก็ให้ยินดีในอาหารที่เกิดจากปรีแข่งของตัวเองไปบิณฑบาตเอาแต่หรือว่าถ้าเขาจะถวายด้วยศรัทธาก็จะรับก็รับได้ ลักษณะนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเฉยๆส่วนเรื่องที่การรับการอ่านมือเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางให้ปกติทําอย่างนี้ที น, นี้ถ้าเพิ่บว่ามีเวทนาเสียดแทงหิวหรือบางทีแบบกระสับกระส่ายเกิดขึ้นเนี่ยพิกษุก็ไปทําอย่างอื่นตามใจตัวเองแต่ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามแต่ตรงนี้มันต่างกันคือที่เป็นแนวทางให้ปฏิบัติเป็นไกด์ไลนะ์ให้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะได้ประกาไว้เรียบร้อยแล้วส่วนข้อห้ามไม่ได้มี ตอ น, น, นแรกๆยังไม่ได้มีช่วงสิปีแรกแยังไม่ได้มีเลยเพราะว่าภิกษุทุกรูปนั้นยังตามข้อโสดาบันพระพุทธเจ้าให้แนวทางปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นเป๊ะทีนี้พอมีภิกษุมากขึ้นมีภิกษุที่เป็นปุถุชนถูกเวทนาเสียดแทงแล้วมันก็ทําอะไรล่ะตรงนี้ไม่ได้ห้ามแต่ก็จะหาช่องหาทางไปแต่ก็เลยเป็นลักษณะที่ว่ารับประทานกันสมมือแล้วทีนี้แนวทางที่ควรทาก็คือให้กินมือเดียว แต่ถ้าจะกินมื้อสองมื้อสามเขาไม่ได้ห้ามนี่นางั้นก็เอาซะเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ว่าพอมีข่าวมาว่าเอ้ามีการรับประทานอาหารในเวลานอกการในเวลากลางวันพระพุทธเจ้าก็ห้ามซะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านพระอุทายีนั่นแหละเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนแรกนี้รับประทานอาหารได้สา ม, มื้อเลยเช้ากลางวันเย็นแต่พอพระพุทธเจ้ามาห้ามซะแม่ก็รู้สึกน้อยใจเสียใจว่า ทำไมมาห้ามเรากินได้สามมือ้อตอนนี้เหลือแค่เช้ากับตอนค่ำแต่ก็เพราะว่ามีหิร r a r c h y ะังมีความรักความเคารพความยำเกรงในพระพุทธเจ้าเร า, าก็เลยทําตามแต่ก็ไม่ได้ยินดีจะทําตามเท่าไรหร่หรอกแต่ยังมีความเสียใจอยู่สมัยต่อมาพอมีข่าวเกิดขึ้นมาภิกษุก็รับประทานอาหารตอนค่ำด้วยในวิการในเวลาราตรีตห้ามไปแล้วนะก่อนหน้านี้ห้ามมีการในเวลากลางวันไปแล้ว ตอนนี้ก็มาห้ามวิการในเวลาราตรีอันนี้สมัยพุทธกาลนะก็มีนะเพราะฉะนั้นในสมัยปัจจุบันนี่ก็ควรจะงดเหมือนกันแตนะ่พอมีการห้ามภิกษุเราประทานอาหารในยามวิการในเวลาราตรีแตนะ่ท่านเราอุทายีนี่ก็อุ้ยเป็นเดินเป็นร้อนอีกเหมือนกันเนะื่องเพราะว่าหวัวหารเวลาค่ำนี่มันละเอียดประณีตกว่าเวลาอื่นๆ น, นะเขาไม่หาอะไรมาตอนกลางวันนะเก็บผักเก็บพืชอะไรสดๆมาแหมมา เก็บไว้กินตอนเย็นมันละเอียดประนี่กวา่าแต่ก็ด้วยความรักความเคารพแต่มีความกลัวความละอายในคําสอนของพุท ธ, ธะอาทำตามก็ทําตามแต่พอมาทําตามแล้วเนี่ยเห็นประโยชน์แต่บุฟังเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ตรงไหนเห็นเพราะว่าภิกษุเวลาจะหาอาหารมารับประทานเราก็ต้องไปบินธบาตทีตนี้ตอนบินธบาติอาจาะรับประทานสามือ้อก็ต้องไปบินธบาต3ครั้งละ พระภิกษุที่พมา่าในตอนเช้าเขาก็บินธบาตเที่ยวนหนึ่งแต่ตอนก่อนเที่ยงช่วงประมาณส0บโมงสิบเอ็โมงเขาก็ไปบินธบาติอีกรอบหนึ่งแต่เพื่อมารับประทานจะกินอาหารก็ต้องไปบินธบาติละทีนี้ถ้าจะกินอาหารในเวลาค่ํำก็คือเวลาวิการในเวลาราตรีคือหลังหกโมงเย็นไปแล้วก็ต้องไปบินธบาติทีนี้หลังหกโมงเย็นไปท่านผู้ฟังแถ้าเป็นบางฤดูมันก็มืดแล้วสมัยก่อนบางเส้นทางก็ไม่ได้มีไฟไม่ได้มีบ้านเรือน เมืออย่างสมัยปัจจุบันเพราะนั้นเวลาเดินทางไปจากวัดไปในบ้านเพื่อบิณฑบาตเนี่ยตกขี้ตมบ้างเดินไปเดินเหยียบแม่วัวบ้างที่เขานอนอยู่ตามทางหรือว่าเจอโจรที่กําลังจะ ป, ปล้นบ้างกลับมาจากการปล้นบ้างบางทีเจอผู้หญิงชักชวนไปในเสพกามบ้างแม้มันมีเหตุแห่งทุกข์เป็นอนันมากแม้แต่ตัวท่านพระอุตายีเองก็เจอประสบการณ์ตรงไปบิณฑบาตแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาล้างจานอยู่ เห็นท่านพระอุทายีด้วยสายฟ้าแลบหน่อยหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดมีฟ้าแลบปุ๊บเห็นท่านพระอุทายีตกใจนคิดว่าผีปีศาจจะมากินเราท่านพระอุทายีก็อธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่นี่เป็นพิสูจน์ในทํำไม่ไว้ใจ น, นี้นมาบินทบาตถูกเขาด่าสาเสียเทเสียถึงพ่อถึงแม่คิดดูเอาถูกเขดาด่าขนาดนั้นแล้วก็เลยอายมากว่าโอ๊ยเราไปบินทบาทเพื่อที่จะมาเลี้ยงชีพแล้วก็คิดว่าปฏิบัติดีแล้วนะ แต่ก็ยังเจอเหตุแห่งทุกข์และถูกเขาด่ายอย่างนี้ก็เลยมีความระ ล, ลึกตรงนี้เกิดขึ้นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่นําเหตุแห่งทุกข์เป็นอันมากออกไปให้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปเจอเรื่องที่เป็นอสัตธรรมตรงนั้นแต่แล้วก็เป็นเหตุแห่งสุขและนํามาให้หลายอย่างเพราะว่าการรับประทานอาหารนบนที่นั่งอัศนะเดียวลุกขึ้นแล้วไม่รับประทานอีกในวันนั้นก็มีกายเบาแต่มีกําลังมีพลังอยู่ได้มีภาระน้อย กินเสร็จครั้งเดียวก็กจบเลยพอท่านพระอุทายีมายกย่องพระบพุทธเจ้าในเรื่องนี้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็อธิบายเรื่องของนางโนงมุนไทยทั้งฟังนี้จึงเป็นชื่อของประสูตรต ร, ตรงนี้ว่าโอวาทที่เกี่ยวกับนางโนงมุนไทนี่เป็นยังไงได้ตรัาถึงบุคคลแบ่งเป็นสองจำพวกด้วยกันคือจําพวกแรกเนี่ยเป็นคนที่แม่ต่างเตือนอะไร น, นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ไม่พอใจละ่ะ เรื่องอะไรแหมที่เล็กน้อยนี่จะต้องมาคอยด่าคอยว่าคอยตักเตือนโอ้ยแล้วก็ไม่เคารพยำเกรงอันนี้คือบุคคลประเภทที่1ส่วนกลุ่มที่2เนะีพอเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ปะปะุทาตักเตือนให้ฟังตรงนี้อย่าทํานะก็เห็นเป็นลักษณะที่ว่าโอ้ยเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ควรรักควรไม่ทําทำไมต้องให้ประพุามากล่าวฉันก็นรับมาทําฉันก็นรับมาปฏิบัตินี่คือกลุ่มที่2นะีโดยเปรียบเทียบกับ ก, กลุ่มแรกเนะเปรียบด้วยหนางน้องมูลไทยในมืฟัง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 จับมันเล่นเอาไว้เหมือนเลี้ยงสุนัขอย่างนี้แต่เป็นเลี้ยงนกแทนอยู่ตามพื้นดินนะผูกมันไว้ด้วยเถาวันหัวด้วนเถาหัวด้วนนี้ก็คือหมายถึงเถาวันที่ไม่มีใบไม่มีอะไรเป็นเถาวันธรรมดาจะรวมถึงรากมันก็ไม่ได้แน่นหนาอะไรแต่เป็นเถาวันประเภทหนึ่งนกตัวนิดเดียวเท่าฟั้เองแต่ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรถูกผูกด้วยเถาวันมันจะบินขึ้นมันจะไปไหนมันก็ไปไม่ได้แต่เพราะว่าถูกผูกถูกรัดอยู่ ชั้นเครื่องผูกคือเถาวันเถาวหัวด้วนธรรมดาเนะีเป็นเครื่องผูกที่มั่นคงสําหรับนกมูลไทยแต่ในกรณีหนึ่งในอีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นช้างตัวใหญ่มากแนะี่เป็นช้างพรายเป็นช้างต้นเป็นช้างที่เจนสงครามเคยผ่านศึกสงครามมาแล้วแนะี่มีงางอนงามมีความเข้มแข็งมีพลังมีกําลังเนี่ยถูกผูกอยู่ด้วยโซ่เนะีถูกปักอยู่ด้วยเสา เนี่ช้างที่มีกําลังอย่างนี้ท่านผฟังเน้่มันเอี่ยวตัวมันสลัดตัวขึ้นเนี่ยเสาก็ยังถอนขึ้นได้เพราะว่าด้วยกําลังของช้างเพราะฉะนั้นเสาไม้แก่นที่ปักอยู่ที่พื้นมีโซ่ล่ามช้างเอาไว้น่ยไม่ได้เป็นเครื่องผูกที่จะมั่นคงสําหรับช้างเลยอันนี้เปรียบเทียบไปฟังนะระหว่างนกมูลไถกับช้างเปรียบเทียบกับบุคคลที่ถูกว่ากล่าวเล็กน้อยก็เห็นว่าจะมีประโยชนอะไรไม่ทําตามนนี้คือเปรียบกับนกมูลไถท่ที่ถูกผูก อยู่ด้วยเถาวันเกลือเถาวหัวด่วนส่วนกลุ่มบุคคลนะที่ถูกว่ากล่าวเพียงเล็กน้อยรู้สึกละอายรู้สึกว่าโอโ้ทำไมจะต้องมาให้คนว่ากล่าวเรื่องเล็ ก, เ ล, กเล็กน้อยนแค่นี้เราน่าจะทำได้แต่ก็ทำตามอย่างเต็มที่เดินเปรียวเหมือนกับช้างที่ผูกอยู่ด้วยเสาหลักอันมั่นคงมีโซ่มีเชือกที่มั่นคงผูกเอาไว้แต่ก็ไม่ใช่เป็นเครื่องผูกที่จะผูกช้างนั้นได้เลยเพราะว่าช้างตัวใหญ่มากเดินเปรียบที่ไม่เคยฟังสองกรณีนี้ว่าเรื่องเล็กเล็ ก, ล ก, ลกน้อยๆย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 แต่ถ้เป็นเรื่องเล็กน้อยขนาดไหนก็ตามแต่มันเสียชาติของความเป็นม้าอาชายพระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับกวางแต่เมื่อกับวานี้ครัพเจ้าอ่านสั์คํานี้ผิดไปนิดนึงจริงๆอ่านว่ามาึกตอนนั้นเองเป็นศัพท์คําเดียวกันกับป่าอีสิปัต น, นะมารึกเขเทยวันคําว่ามารึกนี้ก็คือหมายถึงกวางหมายถึงเก้งถึงกวางที่เป็นสัตว์ที่ว่องไวมากแต่ถ้าถูกใครเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะรีบหนีเลาะลักจากป่านี้สูปานนน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 เป็นเหมือนกับม้าอาชาในถูกข้อฝึกตรงนั้นถูกข้อฝึกตรงนี้ก็พยายามที่จะใส่ใจฝึกอย่างดีทําอย่างดีในะอุปมาขั้วที่สองก็เป็นลักษณะนี้เหมือนกันแตนะ่เปรียบด้วยคนจนกับคนมั่งมีแตนะ่ก็เปรียบกับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่สองนี้อีกเหมือนกันที่เป็นลักษณะนางนกมูญไท่นาะงับช้างตัวประเสริฐคือคนที่ไม่มั่งมีเนี่ยมีบ้านหลังหนึ่งก็หลุดลุย่ยจะพังไม่พัง แ, แลมีข้าวเปลือกอยู่หม้อหนึ่งก็เป็นพันุ์ที่ไม่ดี มีแค่อยู่อันหนึ่งแล้วก็ผูผูพังพังหักตรงนั้นพังตรงนี้มีภรรยายอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไม่สวยคนจนเข็นใจไร้ทรับอย่างนี้ในเห็นพระภิกษุมีมือและเท้าอันล้างดีแล้วอยู่ในอาวาสแต่กินรับประทานอาหารอย่างดีมีผิวพรรณผ่องใสแต่คิดว่าตัวเองจะไปบวชแต่พอคิดคิดดูแล้วแหมการบวชนี่มันจะต้องไปบินธบาตนะบินธบาตกลับมาแล้วก็ต้องมาล้างบาท แต่สัมภาระข้าวของอะไรต่างๆก็ไม่มีเออแต่ว่าฉันก็เก็บสัมภาระข้าวของไว้ในบ้านที่จะพังไม่พังแหล่เนี่ยยังจะดีกว่าแต่ส่วนเห็นแค่ตัวหนึ่งที่จะพังไม่พังแหล่เหมือนกันเราก็คิดว่าถ้าเราไปบวชแล้วแต่คนทั้งหลายก็อาจจะไม่ซ่อมแคร่นี้ไม่ได้ใช้แค่นี้จะเอาไปเผาไฟโอ้เราเอาไม้ไผ่มาปะมาซ่อมดีกว่าบ้านหลังนั้นแค่หลังนั้น แล้วก็เปรียบเสมือนเป็นปราสาทที่มั่นคงเปรียบเสมือนเป็นที่นอนที่เป็นอย่างดีสําหรับคนเขียนใจไรทรัพยบพอไปเห็นพืชพันธุ์เข้าเปลือกที่ไม่ใช่พันธุ์ดีอะไรของตัวเองล่ะก็คิดว่าแม้ถ้าเราไปบวชแล้วผู้หญิงของเราก็จะกินข้าวนี้กับชายอื่นอย่างนั้นเลยเราควรจะเอาข้าวนี้ไปปลูกให้มันดีแต่ก็มีความคิดอย่างนั้นให้ข้าวหม้อหนึ่งที่เป็นพันธุ์ไม่ดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นทรัพย์ที่เป็นยุ่งเป็นช้างแต่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา แต่เห็นภรยาที่รูปไม่สวยแล้วก็คิดว่าโอ้คนเลี้ยงช้างคนเลี้ยงมา้าจะมาเกี้ยวพาราศีภรรยาของเราโอ้อยากกันนั้นเลยเราก็เลี้ยงดูภรรยาของเราไปนี่แหละแต่ภรรยาของเขาที่รูปไม่สวยในตะบุังแล้วก็เปรียบส่วนเป็นเทพีงดงามเลยแต่เขาไม่มีทางที่จะลาไปบวชได้แน่นอนแต่ท่าจิตใจของคนจนเขินใจไร้ซับเป็นอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามแต่คนที่เป็นข้าราชการ แตนะ่มีเงินมีทองสะสมไว้หลายร้อยแท่งแต่สะสมไว้เป็นสมบัติสืบต่อกันมาเนี่ยเขาก็เห็นภิกษุในกรณีเดียวกันภิกษุที่ล้างมือล้างเท้าสะอาดแล้วผิวพันธุ์ผ่องใสนั่งรับประทานอาหารอย่างดีในอาวาสนะเห็นแล้วก็คิดและแต่คิดไม่เหมือนกันตั้งหวังนะคิดถึงว่าเอ้ยพระรูปนี้นี่มีผิวพันธุ์ผ่องใสแลนะมีมือเท้าล้างสะอาดแล้วมือเท้าล้างสะอาดนี่จะต้องมีข้อวัดข้อปฏิบัติอันดีแน่นอน เนะี่ยมีผิวพันธุ์ผ่องใสนี่คงจะต้องได้คุณวิเศษอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนะี่ยต้องมีสมาธิแน่อาจจะมีฌานสมาบัตเป็นอภิญญาขั้นต่างๆนะั่ถึงได้สงบเงียบนิ่งขนาดนี้แม้แต่เราครองเรือนนี่เราคงจะไม่ได้คุณวิเศษแบบนั้นแน่คุณวิเศษแบบนี้เนี่ยแม่มันมีค่ามากกว่าทองหลายร้อยหม้อมากกว่าข้าวเปลือกที่อยู่ในยุ่งฉางหลายพันยุ่งฉางมากกว่าภรรยาต่างๆเหล่านั้น เห็นคุณวิเศษตรงนี้ตรงังน่ะจิตน้อมไปคนละแบบแต่เห็นพระเหมือนกันเป็นเทวทูตเหมือนกันแต่คนจนเข็นใจได้ทรัพย์สมบัติน่ะจิตกลับน้อมไปหาความสุขในทางกรรมที่มีนิดๆหน่อยๆจากทรัพย์สมบัตินิดๆหน่อยๆที่ตัวเองมีแต่ลูกเศรษฐีเห็นเทวทูตเหมือนกันน่ะคือเห็นสมณะแต่จิตน้อมไปในสามัญผลเห็นตรงนั้นเป็นอริยะทรัพย์เห็นตรงนั้นเป็นผลอันดีงามที่จะเกิดขึ้นน่ะจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นหลีงออกจากเรือน ตัวนี้ต่างกันมากเห็นสิ่งเดียวกัน แ, แต่จิตเห็นคนละเรื่องกันจิตที่มีกําลังไม่เท่ากันจิตเหมือนกนับนกมูนไทยมีกําลังน้อยหรือว่าจิตเหมือนกับช่างอาชาในมีงานงอนงามเจนสงครามตัวใหญ่มากมีกําลังเยอะแต่ต่อให้เครื่องผูกที่เป็นเครื่องผูกที่เหมือนว่าจะมั่นคงมีภรรยารูปสวยมีทองคํามีอาหารมีชื่อเสียงมีจิจยศอย่างดีไม่สามารถจะปลูกจิตปลูกใจของกระดับบดีกวนี้ที่เห็นแก่มรักเห็นแก่ผลได้เลย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 แต่ก็ยังละไม่ได้ยังมีความคิดน้อมไปในการที่จะละทําให้สิ้นสุดแต่ก็ยังทําให้สิ้นสุดไม่ได้อันนี้ก็เริ่มมาสู่ในทางประเสริฐกเรียว่าเริ่มที่จะเป็นอริยบุคคลเป็นคนดีคนประเสริฐขึ้นมาแต่ประเภทที่3นั้นยังละไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็ยังมีสติตั้งอยู่ได้บา้างแต่พยายามจะละก็ละได้บางส่วนบางจุดแต่ยังไม่หมดจดนั่นก็เปรียบลักษณะของอริยบุคคลที่ขั้นสูงขึ้นมาอีกแต่ว่ายังไม่ถึงพระอรันจนกระทั่งพวกที่4นั้นก็เปรียบบเเหมืออนนนกัััพระ แลตรส่วนที่สําคัญของประชดนี้คือเรื่องที่ถัดมาในที่เปรียบเทียบระหว่าง2อย่างในระหว่างการบุคุณหการบุคุณหในที่นี้ก็คือความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างในเป็นของปุถุชนกับความสุขที่เกิดจากสมาธิในในชานที่1นึ่สอตรงนี้เป็นความสุขที่ควรเสพควรทำให้มากควรเจริญในแบ่งเป็น2ส่วนนี้อันนี้เราจะเห็นว่าอุปมาอุปไมของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอดคล้องกันนั้นไล่มาตั้งแต่คนกลุ่มที่ เห็นโทษภัยเล็กน้อยว่าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญแล้วก็คือยังเห็นอยู่ในเรื่องของปากท้องเห็นยังอยู่ในเรื่องของการบุคุนหยังหลุดไปจากตรงนี้ไม่ได้ส่วนคนกลุ่มที่2สองถูกว่านิดนิดหน่อยๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญจะต้องทําตามแต่เพราะว่าเห็นแก่มักเห็นแก่ผลเห็นแก่ข้อปฏิบัติแล้วก็เปรียบเสมือนกับช้างตัวประเสริฐเปรียบเสมือนกับคนมั่งมีที่สามารถออกปวดได้แต่เพราะว่าเห็นแก่มักเห็นแก่สามัญชนที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ ในนี้ยังได้แนะนําต่อถึงเรื่องของการที่จะละความอาลัยในความสุขขั้นเบื้องต้นและพื่อที่จะได้ความสุขที่ลึกซึ้งมากยิ่งยิ่งขึ้นไปพระสูตรนี้จบสวยงามมากท่านผู้ฟังในเทศให้ท่านพระอุทายีฟังเนี่ยถึงขั้นพระอาหารหันเลยแต่แต่ว่าตรงนี้จีิก็ไม่ได้บอกว่าท่านพระอุทายีบรรลุถามขั้นไหนอันนี้ก็ไม่ทราบกันในเรื่องของนางนบลบุญไทยก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังในเรื่องนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างใ น, นเรื่องอุปมาอุปไมย ของคนที่มีกําลังจิตไม่มีกําลังจิตเกิดจากความกลัวความละอายต่อบาปคือริโอต ป, ปะแต่เราก็มาจบตรงจุดที่ว่าคือความอาลัยคนเราที่ยังยึดถือในแต่เฝั่งก็เพราะว่าความอาลัยนั่นเองความเพลิดเพลินยังหวนคิดถึงอยู่เน่ซึ่งความอาลัยรักในสิ่งต่างๆเนี่ยมันติดอยู่ได้กับทุกสิ่งถ้าเราเอาเรื่องหยาบๆทั่วๆไปแต่ก็ยังเป็นตาหูจมูกลิ้นกายแม้ น, นี้ถือว่ายังต่ํามากยังแย่มาก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 แลถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องพระสูตรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าท่าผู้ฟังที่จะทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งเพรื่อนั้นก็สามารถที่จะติดต่อในเกี่ยวกับจดหมายหรือว่าทางเป็นเสียงบัดหรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ได้ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาพิปุโ น, โนก็ขอลาไปก่อนจเจริญ้วก่อน